หน้าอัศจรรย์อย่างอื่นก็ไม่น่าไม่น่ายกย่องเท่าไหรแต่น้าอัศว์ความน่าอัศจรรย์เหล่านี้เป็นความน่าอัศจรรย์ที่สามารถดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงต่อไปว่าอัจฉริยะอภูตรธรรมคือการละมานะอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังสัจจาที่ฐานให้บริบูรณ์ย่อมยังอธิฐานธรรมคือธรรมที่ตั้งมั่นคือสัจจาให้บริบูรณ์เพราะทละมานะได้เนี่ยนะ สัจจะก็ตั้งมั่นแน่นอนอัจฉริยะอัภูตรธรรมคือธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาคือการถอนตันหาจนราบคาบอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังจากาที่ฐานนะการตั้งมั่นด้วยจากะให้บริบูรณ์เนี่ยนะถ้าถอนตันหาได้แล้วกล่าวว่าถ้าเพิกถอนตันหาละอะไรได้แล้วไอการบริจาค ก, การเสียสละโดยเฉพาะสละบาปอากุศลภายในเนี่ย ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากไม่รู้จะหวงแหนบาปไว้ทําไมใช่ไหมสละบาปง่ายไหมวะไม่ยากเนยนะมันถ้าถ้าตัดตันหาได้อย่างเดียวเนี่ยบางคนนี่มันหวงนะหวงอกุศลเอทละอกุศลไปแล้วมันจะสบายใจหรือคล้ายๆกับบางคนคล้ายๆอกุศลมันเป็นเรื่องความป่วยไข้ทางจิตใจใช่ไหมมอนก็บางคนเนี่ยที่ป่วยทางร่างกายเออป่วยทางร่างกายมันก็ดีนะมีคนคอยเอาอกเอาใจเหมือนกัน ถ้าสุขภาพดีไปแล้วใครจะมาเอาใจเราว่ป่วยไม่หายดีกว่าอย่างเง้ย น, <c oughs> นี่ก็เหมือนกัน <c oughs> บางคนเนี่ยบอกว่าถ้าเราจิตพองแผ้วจิตหมดจดไปแล้วใครจะมาเห็นใจเราอ่ะนะพันถ้าเราป่วยบ้างอากุศลครอบงําบ้างเผื่อคนอื่นจะได้เห็นใจอย่างเงี้ยบางคนก็เลยอาไยอาวรบาปอากุศลคงไม่เป็นอย่างนั้นเนาะนะมันถ้าถอนตันหาได้แล้วเนี่ยนะจากฆาการสละสละในที่นี้เน้นสละบาปอากุศลภายใน เพราะคนที่สละอกุศลภายในได้แล้วภายนอกมจะไปหวงแหนทำไม อ, อัจฉริยะอภูตธรรมคือการละอวิชาอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมอย่างปัญญาที่ฐานให้บริบูรณ์เพราะถ้ละความโง่เท่าไหร่ปัญญาก็เพิ่มพูนเท่านั้นาการตั้งมั่นด้วยปัญญาก็เพิ่มพูนเพราะไม่มีศัตรูคืออวิชาเพราะศัตรูถูกกำจัดออกไปเท่าใดปัญญาก็ รุ่งเรืองยิ่งขึ้นเท่านั้นเท่านั้นกําจัดความมืดได้เท่าไรแสงสว่างก็มีมากเท่านั้นเท่านั้นมันทะละอวิชาเปรียบเหมือนความมืดได้เท่าไหรปัญญาก็ตั้งมั่นมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นอัจฉริยะอภูตธรรมคือการสงบประงับพบอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังอุปสมาทิฐฐานให้บริบูรณ์เพราะว่าถ้าหากว่าสงบประงับพบแล้วเนี่ยนะความตั้งมั่นด้วยความสงบก็ ตั้งมั่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็สุดแท้แต่ว่าถ้าสงบระ ง, งับพบในอบายเนี่ยนะอุปสมาธิฐานก็ตั้งมัน่นก็ตามอนุภาพของอริยมรรคทั้งหลายสัจจาทิฐานคือทิฐานธรรมที่หนึ่งเนี่ยนะอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังฉันทะสมาธิให้บริบูรณ์แสดงว่าคนที่มีสัจจาเนี่ยเป็นคนที่มีฉันทะสมาธิเจริญสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตด้วยศรัทธา ฉันท่าตรงนี้อธิบายเป็นศรัทธาก็คือผู้ที่มีศรัทธานั่นเองผู้ที่มีศรัทธาจริงจะมีความพอใจมีความเต็มใจมีความสุขกับการเจริญสมาธิทําจิตให้ตั้งมัน่นก็เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีสัจจะเนี่ยนะเป็นผู้ที่ตั้งมัน่นดํารงมั่นอยู่ด้วยสัจจะผู้ที่ดํารงมั่นอยู่ด้วยสัจจะก็ทําให้ฉันท่สมาธิบริบูรณ์จาคาธิฐานอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมอย่างวิริยะสมาธิให้ บริบูนั้นผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในจาระเนี่ยนะผู้นี้อยู่ด้วยความภาพเพียรพยายามผู้ที่มีความภาพเพียรพยายามเนี่ยทำให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าวิริยะสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่บริจาคคนที่จาคะบาปอากุศลก็ดำรงมั่นอยู่ด้วยวิริยะสมาธิปัญญาที่ฐานปัญญาที่ฐานคือการตั้งมั่นด้วยปัญญาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังจิตตะสมาธิให้ บริบูรณ์เพราะจิตใจของเขาเนี่ยเป็นจิตใจที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นจิตใจที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยปัญญามันผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะทำจิตนนะนะจิตใจของเขาเนี่ยน้อมไปเพื่อความสงบเนี่ยนะเพื่อความไม่เดือดร้อนในภายในอุปสมาธิฐานการตั้งมั่นด้วยความสงบอันบุคคลเจริญแล้วทาให้มากแล้วย่อมยังวิมังสาสมาธิให้บริบูรณ์ น, นะ เพราะว่าผู้ที่สงบอยู่ด้วยความสงบอย่างแท้จริงเนี่ยนะสมาธิของเขาก็เกิดจากปัญญาเกิดจากปัญญาปัญญานี่เป็นหัวหน้าปัญญานี่เป็นประธานในแห่งการเจริญสมาธิฉันทะสมาธิเนี่ยนะสมาธิที่เกิดจากความสงบขอไปสมาธิที่เกิดจากฉันทะสมาธิเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังอินทรสังวรให้ บริบูรณเนี่ยนะเพราะพวกนี้จะปิดอินทรีย์เนี่ยนะจะไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้าทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเป็นคนที่เจริญสมาธิด้วยอำนาจฉันทะหรือว่าเป็นคนที่อาศัยฉันทะเป็นบาตแห่งการเจริญสมาธิันพวกนี้อินทรีย์สังวรดีอินทรีย์สังวรบริบูรณ์ ส่วนผู้ที่มีวิริยะสมาธิเนี่ยนะวิริยะสมาธิเป็นความสงบที่เกิดจากวิริยะอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังตบะให้บริบูรณ์เนี่ยนะตบะก็คือสุขภาคยะธรรมที่เป็นบุญเนี่ยนะตบะก็คือการเพิ่มภูนบุญกุศลมันคนที่เพิ่มเอ่อคนที่ทาสมาธิด้วยด้วยความเพียรหรือความเพียรเป็นปัจจัยแห่งการเจริญสมาธิความเพียรเป็น เหตุให้จิตตั้งมั่นคนเหล่านี้ย่อมยังตาบะตาบะคือคุณงามความดีบุญกุศลให้พ่อโพลให้เจริญยิ่งขึ้นไปจิตตสมาธิเนี่ยนะสมาธิที่อาศัยจิตทําจิตให้ตั้งมั่นอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังพุทธิพุทธิก็คือความเจริญแห่งโพ่อชองหรือปัญญานั่นเองให้เจริญยิ่งขึ้นนะจิตตสมาธิย่อมยังพุทธิเขาบอกเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตาม เป็นจริงใช่เมื่อจิตรู้เห็นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมาก็คือเห็นอริยสัจนั่นเองส่วนวิมังสาสมาธิเนี่ยนะสมาธททิที่เกิดจากการเจริญปัญญาหรือปัญญาเป็นเหตุให้สมาธิจิตตั้งมั่นอันที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสัพพูปฏิปตินิสักะคือพระนิพพานอันเป็นที่สงบระงับ สละอุปธิให้บริบูรณ์มันใครที่มีวิมังสาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโดยมีปัญญาเป็นพื้นเป็นบาดก็สามารถที่จะสงบ ส, สงบประงับสละคืนอุปธิทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นขันธูปธิกิเลสูปธิอภิสังขารูปธิเป็นตน้นนะสามารถที่จะสลัดออกจากอุปธิคือบาปอากุศลได้โดยทั้งหมด อินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังเมตตาให้บริบูรณ์เนี่ยนะก็คือน้อมนําประโยชน์ไปให้แก่บุคคลอื่นเมตตาก็คือการน้อมนําประโยชน์ไปให้แก่บุคคลอื่นมันผู้ที่ดํารงมั่นอยู่ในอินทรียสังวรสํารวมตาหูจมูกเลนกายใจคนที่สํารวมตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยนะปกติเป็นเหตุใกล้ให้เกิด สุดจิตสามผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยสุสจริตสาพวกบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีเมตตาเนี่ยนะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นน้อมนําประโยชน์มาหาตนน้อมนําประโยชน์ไปหาผู้อื่นตบะอันบุคคลเจริญแล้วเนี่ยนะก็คือบุญกุศลที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังกรุณาให้บริบูรณ์เพราะว่าคนที่มีคุณงามความดีน้อมไปเพื่อที่จะนําตนให้พ้นจาก ทุกน้อมไปเพื่อที่จะนําผู้อื่นให้พ้นจากทุกพันกรุณาเนี่ยนะกรุณาคือการมุ่งที่จะบําบัดทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นมันผู้ที่มีตะบะมีคุณงามความดีบุญกุศลเพียบพร้อมเจริญบริบูรณ์ก็น้อมไปบําบัดทุกข์ให้แก่ตนและคนอื่นพันกรุณาก็คือทําความทุกข์แห่งคนอื่นให้เหือดแห้งหายไปพุทธิพุทธิก็คือความเจริญแห่งสติปัญญาหรือความเจริญแห่ง องค์ของโพชงเนี่ยนะองที่ทําให้เกิดการตัดสรูุปุทิที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมอย่างมุทิตาให้บริบูรณ์เนี่ยนะผันใครที่กุศลเจริญจริงๆกุศลจิตเกิดมากๆบุคคลเหล่านี้จะมีมุทิตาต่อคนอื่นเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีแม้แต่น้อยก็ยินดีกับคนอื่นคนอื่นเขามีกุศลจิตเกิดบ้างก็แสดงความยินดีกับคนอื่นคนอื่นได้รับความสุขประสบสุขอย่างใดก็ ยินดีกับผู้อื่นบัณคนที่มีพุทธิมีความรู้มีสติปัญญาก็จะอนุโมทนาต่อผู้อื่นที่ผู้อื่นได้รับความสุขและความเจริญสัพพูปฏิสัพพูปฏิปฏิเนสขะเนี่ยนะอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังอุเบกขาให้บริบูรณ์เพราะว่าคนที่เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นที่สงบระ ง, งับดับกองทุกข์ทั้งปวงแล้วก็มีอุเบกขา อุเบกขาก็คือจะว่าตัวใครตัวมันมันก็ไม่ใช่หมายกาว่าของใครก็ของใครกันล้วกันนะเอ้าก็ถ้าอะไรอาวรกันก็ไม่ต้องดับสงบประงับทุกันนะกอดคอกันเฝ้าวัตตะนั่นแหละมันทางสายใครก็ใครกันนะขณะเดียวกันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะมันก็เต็มไปด้วยความผูกพันอยู่นั่นแหละ คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะธรรมะที่กล่าวไปทั้งหมดถ้าแบ่งเป็นที่สาธรรมก็จะได้ที่สาธรรมสี่ที่สาที่สาทั้งสี่มีอะไรบ้างทนอีกครั้งปฏิปทาที่หนึ่งก็คือสติปฐานที่หนึ่งนะก็แสดงว่าทุกขานุปัสน า, าทุกขะปฏิปทาทันทาพิญญากายานุปัสนาปฐมมชานทิพวิหารสังวรประธานการละมานะสัจจาทิฐานฉันทาสมาธิอินทรีย์สังวรเมตตา พวกนี้ก็เป็นที่สาที่หนึ่งเนี่ยนะที่สาที่หนึ่งทุขาปฏิปทาขิปปาพินยาเวทนานุปัสนาทุติยชานพรหมิหารปหานประทานการถอนอะไรจากขาทิฐานวิรยิยะสมาธิตบะกรุณาอันนี้ก็เป็นที่สาธรรมที่สองสุขาปฏิปฏาทาธรรมทาพินยาจิตานุปัสนา อั ต, ติยาชานอริยวิหารภาวนาประธานการละอวิชาปัญญาธิฐานจิตตสมาธิพุทธิมุทิตานี้ก็เป็นที่ศาธรรมที่สมเนีย่ยนะเป็นกลุ่มธรรมะที่สาส่วนสุขาปฏิปทาขิ ป, ปาพิญญาธรัมรมานุปัสสนาจตุทชาญอเนชฌาสวิหารอนุรักษนาประธานความสงบประงบับพ อุปสมาธิฐานวิมังสาสมาธิสัพพูปธิปตินิสขาและอุเบกขาอันนี้ก็เป็นทิสาธรรมที่ที่สทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าทุกขาปฏิปาทาธันทาพิญญากายานุปัสนาปถมฌานทิพวิหารสังวรประธานการละมานะสัจจาธิฐานฉันทาสมาธิอินทร์สังวรเมตตาธรรมะทั้งสิบหัวข้อเหล่านี้ ต่างกันแต่เพียงพยันชนะโดยอัรถะแล้วไม่ต่างกันเลยกุศลธรรมคุณงามความดีเหล่านี้เป็นยารักษาโรคของคนราคะจริตเป็นเภศัชที่จ ะ, ะกำจัดระงับดับไข้ของคนราคะจริตเนี่ยนะไข้าทางจิตวิญญาณของคนราคะจริตต้องอาศัยยาเหล่านี้มาเป็นเครื่องรักษา พอบุคคลเหล่านี้ป่วยทางจิตวิญญาณมันกายเอ่นะจิตวิญญาณที่ป่วยแลก็ทะลักออกมาทางร่างกายตามภาษาคนป่วยนะส่วนทุกขาปฏิปทาขิปปาพิน ญ, ญาเวทนานุปสนาตาติยะเอ่อุติยชานพรหมวิหารปหานประทานการถอนอะไรจารคธิฐานวิริยะสมาธิตบะกรุณาธรรมะทั้งหมดเหล่านี้ ม, มีอัฐเหมือนกันมีความหมายเหมือนการต่างกันแต่เพียงพ ย, ยัญชนะคำพูดเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเภศัตของคนโทสะจริตเนี่ยนะเป็นยารักษาโรคของคนที่เจ็บป่วยทางใจเนี่ยนะก็บอกว่าพวกราคะเจริตเนี่ยนะพวกนี้มันไข้ลักษณะเป็นอะไรนะไข้ร่าเริงในชะ่ <Okay. S 1> ส่วนพวกโทสะจริตเนี่ยไข้เร่าร้อนไข้ร้อนเนี่ยนะไข้ขึ้นสูงมากพวกนี้ มันก็อันนี้ก็เป็นยาเนี่ยนะเป็นยาย็นสงบระงับดับความเร่าร้อนส่วนสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาจิตานุปัสนาตติยฌานอริยวิหารภาวนาประธานการละอวิชชาปัญญาทิฏฐานจิตตสมาธิพุทธิมุทิตาเหมือนอัฏะเหมือนกันต่างกันแค่พยัญชนะ อันนี้ก็เป็นเภสัชยารักษาโรคของคนที่เป็นทิฏจริตทิฏจริตอย่างอ่อนเนี่ยนะก็พวกถือลทัทธิแต่ว่าก็ไม่ถือมั่นคงเท่าไหร่ศึกษากุศลธรรมคุณงามความดีเหล่านี้ก็พอที่จะละนะหรือว่าพวกมิจฉาทิฏก็คือลักษณะของคนที่เข้าใจอะไรที่วิปลาสคลาดเคลื่อนเห็นอะไรที่ตรงกันข้ามถ้ามียาอย่างนี้ก็สร้างขึ้นนะนะเริ่มไม่หลงทิศหลงทางแล้วเริ่มรู้ทิศรู้ทางเพราะมิจฉาทิฏก็คือพวก พวกความรู้ความเห็นอะไรที่มันสลับทิศเพราะนั้นก็รู้แค่ว่ารู้จักทิศ ต, ตามความเป็นจริงแล้วไม่ลงทิศไม่หลงแค่ อ, อะไรนนะไม่หลงภพหลงภูมไม่หลงวัตตะแล้วส่วนสุขาปฏิปทาขิตปาปิญญาธรรมานุปัสนาจตุทชฌานอนเนนชา ว, วิหารอนุรักษนาประานความสงบระงัภภพอุปสมาธิฐานวิมังสาสมาธิสัพพป ฏ, ปฏิปฏินิสักขะอุเบขา คุณธรรมทั้ง10ประการเหล่านี้เนี่ยนะมีอัตถเหมือนกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะอันนี้ก็เป็นยารักษาโรคของผู้ที่มีทิฏฐิจริตอย่างสูงหรือคนฉลาดหน่อยนะศึกษาเหล่านี้ก็จะละได้นะคนที่ฉลาดเนี่ยศึกษาเหล่านี้ก็พอที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าไม่ศึกษาคุณธรรมเหล่านี้แก้ยากเนียนะแก่อยา ก, กาโรคอย่างนี้นะอะไรนะพวกมิจฉาทิฏฐิมีปัญญาสูงเนี่ย โดยมากนะใครจะไปแก้นะไปเป็นลัทธิจะไปเป็นลูกศิษย์เขาหมดอ่ะตั้งใจจะไปโปรดเขาเนี่ยถูกเขาโปรดเรียบหมดเลยนะตั้งใจจะไปส่งไปเกลี้ยกล่อมเขาเนะ่ถูกเขากล่อมถ้าเรียบหมดเลยนะพวกนี้แสดงก็อย่างว่าไปไปให้เขาโปรดเถอะเสียนะทีแรกทาท่าจะไปโปรดเขาเลยถูกเขาโปรดเรียบหมดเลยทีแรกจะไปว่าเขาผิดซะหน่อยเนี่ยเอาไปเอามาไอเราผิดเองไงนะต่อไปว่า พวกวิโมกนะเกี่ยวกับวิโมกนะว่าปฏิปทาสติปทานเป็นต้นถ้าสัมพันธ์กับวิโมกจะเป็นอย่างไรวิโมกคงไม่ลืมนะว่าอนุปัสนานั่นแหละคือวิโมกเพราะว่าอนุปัสนานี้เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคอริยมรรกก็เป็นวิโมกอปนิหิตาเอานะอนิมิตานุปัสอานิมิตวิโมกก็คืออานิอนิจานุปัสนาอปนิหิตาวิโมก ก, ออโม ก, ก็คือทุกขานุปัสนา สุญญตาวิโมกก็คืออนัตตานุปัสนาทุกขาทุกขาปฏิปทาทันทาพินยาและทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาานยาพวกทุกทกทั้งหลายนะเริ่มปฏิบัติก็ทุกหมดเลยจะรู้เร็วรู้ช้าก็ตามพวกนี้อัปปนิหิตาวิโมกนะก็อยู่อยู่ด้วยทุกขานุปัสนาจเจริญทุกขานุปัสนา ส่วนพวกสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสบายแต่ว่ารู้ชา้าพวกนี้สุญญาตาวิโมกเนี่ยนะ ก, ก็ต้องปัญญามากไค้ครควนเยอะผวนพวกสุขาปฏิปทาคิ ป, ปาพิญญาปฏิบัติสบายตรัสรู้ก็เร็วพวกนี้ก็อนิจจานุปัสสนานี่นะต่อไปว่ากายกายานุปัสสนาสติปทาน เวทนาสุเวทนานุปัสนาสติปฐานเป็นอปปนิหิตาวิโมกนะพวกกายานุปัสนากับพวกเวทนานุปัสนาพวกนี้ก็เป็นอปปนิหิตาวิโมกก็คือกลกุ่ลลมทุกขานุปัสนาดีๆนี่แหละนะก็คือกลุ่มทุกขานุปัสนาก็คือกลุ่มพิจารณาโดยความเป็นทุกส่วนจิตเตจิตานุปัสนาสติปฐานอันนี้เป็นสุญญาวิโมกนะผู้ที่พิจารณาเห็น เจริญอนุปัสนาโดยจิตพวนี้ก็เป็นสุ ญ, ญาตาุ ญ, ญาตาคือความว่างก็คืออนัตตานุปัสนานั่นเองธรมเมสุธรรมานุปัสนาสติปทานเป็นอนิมิตตาวิโมกเป็นอนิมิตตาวิโมกทรงจำง่ายๆก็คือที่สาที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นอปปนิหิตาวิโมกหมดเลยที่สาที่สามเป็นสุ ญ, ญาตาวิโมกที่สาที่สี่อนิมิตตาวิโมก เหมือนกับข้างบนเปะเลยเนี่ยนะเหมือนข้างบนนั่นแหละไม่ต่างกันรองต่อไปว่าฌานที่หนึ่งฌานที่สองเป็นอัปปนิหิตาวิโมกก็ยังอะไรนะค่าศึกของฌานเหล่านี้ยังมีมากเมื่อค่าศึกเหล่านี้ยังมีมากก็ถือว่าปฏิบัติด้วยทุคขานปัสสนอะไรนะทุกขานุปสนันะนปสนาฌานที่สามเป็นสุญญตาวิโมกฌานที่สี่เป็นอนิมิตตาวิโมกคือท่านอยากให้เราเห็นว่า การเจริญคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะไม่ได้พ้นไม่พ้นจากการเจริญอนุปัสนาเลยถึงเจริญทุกขานุปัสนาก็คือการเออทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาก็คือเจริญทุกขานุปัสนานั่นแหละเจริญทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาก็คือทุกขานุปัสนาการเจริญกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาก็คือกลุม่มทุกขานุปัสนาการเจริญปฐมฌานทุติยฌาน การเจริญสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นเหตุใกล้เต็นบาตรฐานของทุกขานุปัสสนาการเจริญทิพวิหารพรหมวิหารพวกนี้ก็ยังใกล้ต่อทุกขานุปัสสนาจะเจริญสังวรประทานภาวนาสังวรประทานปหานาประทานก็ยังอยู่ในกลุ่มการเจริญทุกขานุปัสสนาการละมานะการถอนอะไรคือตัณหาก็ยังอยู่ในกลุ่มทุกขานุปัสสนาสัจจาทิฏฐานจาคาทิฏฐานก็ยังอยู่ใน ทุกขานุปัสสนาฉันทสมาธิวิริยาสมาธิก็ยังอยู่ในกลุ่มทุกขานุปัสสนาหรือว่าอัปปนิหิตาวิโมกอินทรีสังวรมีอินทรีสังวรมีมีการเจริญตะบะการเพิ่มพูนกุศลทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังอยู่ในทุกขานุปัสสนาการเจริญมเมตตาการเจริญกรุณาก็ยังอยู่ในทุกขานุปัสสนาน่ น, นะแม้กระทั่ง สุขาปฏิปทาทันทาิญญาพวกนี้ก็เป็นสุญญาตานนปัสสนาใช่ก็คืออนัตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาตตยยฌานอริยวิหารภาวนาประทานการละอวิชาปัญญาที่ฐานจิตตาสมาธิพุทธิมุทิตาพวกนี้ก็ยังอยู่ในสุญญาตาโนปัสสนาหรืออนัตตานุปัสสนาหรือสุญญ า, าวิโมกนั่นแล สุขาปฏิปทาขิปปาผิญญาธรรมานุปัสนาจตุทชานอเนชวิหารอนุรักษนาประธานความสงบประงภพอุปสมาธิฐานวิมังสาสมาธิสัพพูปฏิปตินิสาขาอุเบขาคุณธรรมเหล่านี้ก็นับเนื่องในอนิจจานุปัสนาหรืออนิมิตตาวิโมกนั่นเองวันนี้โหร่ำรวยไปด้วยสับภาษาบาลีทั้งนั้นเลยเขาเล่าให้ฟังว่า ไทยที่อายุมากมเนี่ยนะเขาส่งให้ไปเรียนภาษาต่างประเทศก็บ่างั้นสมองจะได้ไม่เสื่อมก็บอกงั้นไดของเรานี่เรียนทั้งภาษาต่างประเทศความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยนะสมองไม่เสื่อมแล้วหัวมันร้อนเผาขึ้นมาเลยแต่ว่าดีว่าอาศัยบุญกุศลที่มีผู้เจริญบุญอยู่ในห้องแอร์ก็เลยรู้สึกไม่ร้อนเท่าไหร่นั่นะเรียนข้างนอกตอนนี้ก็ขงนั่งสับประหกหลับโยกเยกไปแล้วถ้าคิดตามบ้างก็เลือด ก, กําลังสูบฉีดดีมันก็เลยไม่ค่อยง่วงอันนั มันก็ดีแล้วทมาเรียนธรรมะตอนอายุมากๆคัสมองไม่เสื่อมหรอกเนะีนะ่ยเลิกเรียนเมื่อไหร่สมองฟอเลยกัเนี่ยไม่ใช้ความคิดเลือดไม่ค่อยไปรอเลี้ยงอ่ะนะก็ดีแล้วที่ามาเรียนธรรมะตอนอายุมากๆเหมือนแะตยิ่งฟังธรรมะประเภทแบบยากๆด้วยเนี่ยโอ้สมองไม่ฟองง่าย <c oughs> มาดูต่อไปอีกว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะธรรมะทั้งที่ เป็นกรรมกิเลสเป็นเหตุแห่งวัตตะหรือธรรมะที่ออกจากวัตตะเนี่ยนะธรรมะเหล่านี้ก็ ย, ยังอยู่ในยังยังเกี่ยวข้องกันอยู่ดีใช่ไหมเพราะสัตว์จะสี่ไม่สามารถที่จะทิ้งสัต จ, จะใดสัต จ, จะหนึ่งไปได้ทีนี้มาเห็นความสัมพันธ์กันดูนะว่าอาหารคือทำรรที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออาหารก็คืออะไรปฏิปทาสี่ คือธรรมะข้างบนเนี่ยนะในในในเอกสารในตารางที่ทําไปเนี่ยนะกลุ่มตารางข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสังกิเลสสังกิเลสฝ่ายเศร้ามองตารางข้างล่างทั้งหมดเป็นฝ่ายผ่องแพ้วข้างบนเป็นทุกขสัจกับสมุทยัยสัจข้างล่างเป็นมรรคสัจจะกับนิโรสัจจะเพราะฉะนั้นธรรมพวกนี้ก็จะเป็นปฏิปักษข้างบนเป็นวัตตะข้างล่างเป็นวิวัตตะนั่นเองามาดูว่า ปฏิปทาสี่เป็นปฏิปักต่ออาหารสี่สติปทานสี่เป็นปฏิปักต่อวปลาสี่ฌานสี่เป็นปฏิปักต่ออุปาทานสี่วิหารธรรมสี่เป็นปฏิปักต่อโยคะสี่สัมมาปทานสีเป็นปฏิปักต่อคันธสีอัจฉริยะอภูตธรรมสี่เป็นปฏิปักต่ออาศะสี่ อธิฐานธรรมสี่เป็นปฏิบักษต่อโอคะสสมาธิภาวนาสี่เป็นปฏิบัติต่อลูกศรนสี่สระคือลูกศรนสี่สุขภาคียธรรมสี่เป็นปฏิบัติต่อวิญญาณทิติสอัปปามณาธรรมสี่ก็เป็นปฏิบักษตอ่ออคติขมนะสนี่เนี่นะเป็นปฏิบักษตอ่ออคตินั่นเองมันกุธรรมเหล่านี้ก็เป็นปฏิปักษเป็นปฏิบักษต่อกันอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าธรรมะข้างบนที่เรียกว่า สังกิเลตเนี่ยนะทำหัวข้อสิบข้อคือ อ, อ, อาหารวิปลาสอุป า, า, าทานโยคาคันถาอาสวะโอฆาสัลละสัลละวิญญาณทิติอคติคมนะพวกนี้เป็นสังกิเลสิกธรรมเป็นธรรมที่ต้องละเป็นปหาตัพธรรมเป็นธรรมที่ต้องละเป็นธรรมที่ต้องละส่วนปฏิปทาสีสติปทานสี่ ทานสี่วิหารธรรมสี่สัมมาประธานสี่อัจฉริยะอภูตธรรมสี่อธิฐานธรรมสี่สมาธิภาวนาสี่สุขภาคิยธรรมสี่อัปปานณธรรมสี่พวกนี้เป็นภาเวตะธรรมเป็นธรรมที่ต้องเจริญเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งเป็นปหายกะธรรมเป็นธรรมที่เข้าไปละเนี่ยนะเป็นธรรมที่เข้าไปละแล้วก็เป็นธรรมที่เป็นปฏิบัติโดยส่วนเดียวเพราะเมื่อเจริญธรรมที่นําออกจากวัตตะก็เป็นการละ กรมละกิเลสที่เป็นเหตุให้เฝ้าอยู่ในวัตตะนั่นเองพระพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งหลายผู้ขจัดราคะและโทสะได้แล้วท่านเหล่านั้นเป็นดังราชสีราชสีก็คือมีความองอาจไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดเพราะเป็นผู้มั่นคงองอาจอยู่เสมอ การดำเนินไปแห่งพระพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นดังราชสีเนี่ยท่านดำเนินไปอย่างไรก็คือท่านเจริญธรรมที่ควรเจริญท่านทำให้แจ้งประจักษ์พระนิพพานที่ควรทำให้แจ้งประจักษ์การทำกิเลสให้สิน้นการทำให้สิน้นกิเลสที่ควรทำให้สิน้นสังเกตดูนะกิจภารกิจของท่านคืออะไรคือการเจริญการทาให้แจ้งแล้วก็การ ละผู้ที่มีการเจริญการทําให้แจ้งการละก็เนื่องจากท่านมีการกําหนดรู้เนื่องจากมีการกําหนดรู้การรักษาอินทรีย์ชื่อว่าวิกกิลิตะการเยื่องกรายของราชสีเนี่ยนะวิกกิลิตะหรือว่าลีลาก็ได้นนะัการละวิปลาสก็ชื่อวิกกิลิตะอินทรีย์ทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเป็นบ่อกเกิดแห่งสัจธรรม นนศัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะเป็นบอ่อเกิดแห่งพระสัทธรรมวิปาะทั้งหลายความเข้าใจคลาดเคลื่อนทั้งหลายเป็นบอ่อเกิดของจิเลสการค ว, ความรู้ความสามารถพิจารณาได้ดังกล่าวนี้เรียกว่าภูมิแห่งสีห์วิกีลิตะในนัยแห่งการเยื้องกลายหรือว่าลีลาดุดราชสีที่องอาจไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดเพราะว่า พริยาเจ้าเหล่านี้เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ได้กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ได้ละสิ่งที่ควรละเพราะท่านเป็นผู้สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมต่างๆเมื่อท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นอยู่ในปฏิปทาสี่สติปฐานสีท่านมีฌานสี่มีวิหารธรรมสีมีสัมมาสั ม, มาปธานสี่มีความน่าอัศจรรย์อยู่ในตัวสี่ประการมีอธิฐานธรรมสมีสมาธิภาวนามีสุขภาคียาธรรมมีอัปปามณธรรม เมื่อท่านสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมเช่นนี้แล้วท่านจะวันไวอะไรเนี่ยนะท่านจะวันไวอะไรท่านจะเกรงกลัวต่อสิ่งใดเนี่ยนะผลการเยื่องกรายของท่านก็ดุดราชสีแต่ไม่ใช่ว่าอะไรนะองค์อาจสงาพาเผยแต่ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยไม่ท่านมีที่สาโลชนะไหนเป็นการสอดส่องตรวจ ด, ดูที่สาธรรมเหล่านี้เป็นอย่างดีก็เนื่องจากว่าท่านมองอะไรท่านจะมองออก ทั้งหมดอย่างทะลุโปร่ปรงเนี่ยนะของเราเนี่ยเวลาพิจารณาธรรมะยังต้องอาศัยเอกสารใช่หอาศัยเอกสารประกอบแล้วนึกอะไรก็นึกเป็นคำๆไปแต่ของท่านท่านมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นชีวิตจิตใจของท่านเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่าท่านเห็นธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เหมือนคนตาดีมองเห็นรูปอย่างนั้นแหละท่านมองเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างทะลุโ ป, ปร่ปโรงโดยที่ไม่มีความติดความขาดความ สงสัยเลยเนี่ยนะเราก็ได้แต่หวังใจว่าเมื่อไหร่น้อะจะเป็นเราเมื่อไหร่เราจะมีคุณธรรมอย่างนี้บ้างะนะพูดถึงทบทวนบรรดาราคาจริตเหล่านั้นเนี่ยนะราคาจริตโทสะจริตทิฏฐิจริตเป็นต้นเนี่ยนะพวกราคาจริตบุคคลเป็นต้นเหล่านั้นที่กล่าวไว้ในสีห์วิกีลิตะในบุคคลเหล่าใดย่อมออกจากวัตฏะด้วยทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาและทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญา บุคคลเหล่านั้นก็นับว่าเป็นสองคือพวกปฏิบัติเป็นทุกนี้มีอยู่สองกลุ่มใช่ไหมปฏิบัติแบบทุกยากก็คือทุกแบบบรรลุเร็วกับทุกแบบบรรลุชา้าส่วนบุคคลใดออกจากวัตฏะด้วยสุขาปฏิปทาจะทันทาภิญญาหรือสุขาปฏิปทาคิดตาพิญญาบุคคลนั้นก็นับว่าเป็นสองคือปฏิบัติสบายแต่ว่าบรรลุช้ากับบรรลุเร็วธรรมะต่อไปนี้เป็นสังกิเลส ข, ของบุคคลเหล่านั้น คือสังกิเลตของบุคคลผู้บรรลุบุคคล4ประเภทคืออะไรสังกิเลสนะความเศร้าหมองก็คืออาหารสีวิปลาสีอุปาทานสโยค้าสีคันทะสีอาสวะสโอค้าสีสละสละคือลูกศรสี่วิญญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณสี่และการถึงอคติ4 ส, ส่วนความหมดจดของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็คือ ปติปทาสีสติปทานสีฌานสีวิหารธรรมสีสัมมาปทานสีอัจฉริยะอภูตธรรมสีอธิฐานธรรม4ีสมาธิภาวนาสีสุขภาคิยธรรมสีอัปปมัญญาสีเนี่ยนะก็คงแบ่งออกนะว่าฝ่ายสังกิเลสกับฝ่ายหมดจดโวทานเนี่ยนะหมดจดก็คือโวทานสังกิเลสการที่สามารถเอาธรรมะฝ่ายสังกิเลสคือธรรมะหมวดสีธรรมะฝ่าย โวทานคือความหมดจดมีสติปฏิ ป, ปทาสี่เป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้ประมวลลงสัจจะสี่ได้การไข้ครวนเยื่องไกลด้วยปัญญาเช่นนี้เรียกว่าสีห์วิกิริตะแล้วก็การตรวจดูที่สาธรรมเหล่านั้นอย่างเข้าใจทะลุ ป, ปร่ปปรงก็เป็นที่สาโลจนะเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าภูมิของผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาก็ไข้ครวนสอดซองพันแตะหนึ่งอย่างปั๊บก็สะเทือนถึงกันหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าพูด พูดอย่างนึงนะถ้าถ้าในตารางเนี่ยนะถ้าพูดกับพระลีงกราหานเนี่ยจบลงที่ไหนจบลงที่เมตตานาะ น, นะพูดภาษาหารจบลงที่ไหนจบลงที่กรุณาพูดมโนสัญเจตนาหารจบลงที่ไหนจบลงที่มุทิตาพูดวิญญาณอาหารก็จบลงที่อุเบกขาก็พูดมโนสัญเจตนาหารก็จบลงที่อุเบกขาคือพูดตรงไหนก็ได้เพราะมันหมุนอยู่ในตัวของมันเองโดย โดยรอบเพราะผู้ที่กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ก็จะได้ละสิ่งที่ควรละผู้ที่ละสิ่งที่ควรละก็จะทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเมื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งก็มีการเจริญทำที่ควรเจริญก็ชื่อว่าได้ทํากิจแห่งอริยศาส์ทั้ง4ประการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาเข้าใจนิยะอัฏฐะเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีก็สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยไม่ผิดไม่พลาด สมอย่างที่พระหมหากจรยนะท่านบอกว่าคำพีเนติปกรเนี่ ย, ป เ, ยเป็นคำพีที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นคำพีที่นำไปสู่การรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะส่วนติปุขละในในข้อ88ติปดติปุขล ะ, ะอังกุสวาในเดี๋ยวพักก่อนนะนะ